ัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์นะคะกับรายการสัญสนีสนทนาดิฉันสัญสนีนาภงดําเนินรายการอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครั ว, รวข่าว f m ฟเอสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความรักและถ้าเป็นชาวพุทธก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งมาฆบูชาบางคนก็เลยบอกว่าเป็นมาฆบูชาแห่งความรักมีคนกําลังจะทํากิจกรรมนี้รวมกันนะคะ คณิงสุดารัตเกยียรยุราพันธ์ค่ะก็จะจัดกิจกรรมในห่วงเวลาของวันที่13เดือยไปถึงวันที่16ที่วัดสเกดว่างๆก็แวะกันไปก็มีกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละค่ะส่วนรายการของเราดิฉันได้หารือกับท่านเพรบุญพระเพรบุญอภิปุนโนจากวัดปาดอนไฮโซอุอดรธานีนะคะว่านับตั้งแต่สัปดาห์แห่งเทศกาลมาคบูชาวันแห่งความรักในพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคะเราจะเริ่มต้น ที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ประโยชน์มากขึ้นจากการฟังรายการนี้คือจะให้มีส่วนของการปฏิบัติเพื่อที่จะได้สะสมแต้มและสร้างความคุ้นเคยกับอารมณ์แห่งสมาธิกันในตอนต้นของรายการแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การฟังการสนทนาธรรมอย่างมีสมาธิ ด, ด้วยเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการถามพระอาจารย์ไพบูลกันต่อเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปกราบนมัสการกับท่คะเชีาน ค, ะานค่ะ ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยที่ที่เรามาพูดคุย ค, ค, คิดกันว่าควรจะเริ่มต้นของวันของรายการด้วยการที่ทําสมาธิกันสักหน่อยหนึ่งซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงสัดาหแหงมาค้าบูชาแห่งความรักพอดีก็คิดว่าน่าจะสมควรที่จะเจริญสิ่งที่เรียกว่าเมตตาภาวนา่คือการส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาเพราะฉะนั้นพระพุทธาก็ให้ตั้งจิตเอาไวา้ในขณะที่เรา มีสติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยให้เราระลึกถึงนะบุญกุศลที่เราได้เคยสั่งสมมาได้เคยทํามาเมื่อเราระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้สั่งสมไว้ทําไว้แล้วจิตของเราก็จะเป็นจิตที่ตั้งอยู่ด้วยดีดํารงอยู่ด้วยดีในภายในจิตที่เป็นอย่างนี้เราก็ให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวาง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 สามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศไม่ยากฉันใดเท่านั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและนั่นคือการเจริญเมตตาภาวนาเดินบรอน ค่ะสาธุค่ะท่านฟังคะนั่นหมายความว่าในห้วงต้นเนี่ยท่านไปบูลตั้งใจจะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีสมาธิในการที่จะเจริญเมตตาแล้วก็จะได้ทําให้ความเมตตาที่ท่านได้พยายามส่งออกไปนั้นเป็นความเมตตาที่สามารถส่งออกไปได้อย่างแท้จริงงั้นใช่ไหมคะใช่ถ้าไม่มีสมาธิจะเป็นยังไงคะคุณภาพของการส่งความเมตตาเนี่ยค่ะก็เหมือนกับอ่าวภาวะที่มันกําลังส่งไม่แรง นะมันก็จะส่งไปไม่ได้ไกลนะแล้วก็ปริมาณก็จะไม่ได้มากแต่ก็ยังได้ผลนะ ท, ที่เอาที่มันได้ทําไมท่านถึงให้เป็นเรื่องของการเจริญเมตาหรือว่าทําไมพระพุทธองค์ถึงได้ให้มีการเจริญเมตางเรื่องการเจริญเมตานี้ก็คือเหมือนเป็นหลักการของการทําสมาธิอย่างหนึ่งนะคุณยมติิวแต่จะเป็นหลักการที่ใช้เมตาเป็นอารมณ์แตยังยกตัวอย่างเช่นอนาณารณสติ คือใช้โลมหาใจเป็นหลักใช้ลมหาใจเป็นหลักแล้วถ้าเป็นเมตต า, าเมตตาภาวนาเนี่ยก็คือใช้จิตที่มีเมตตาเป็นหลัก<ม>คือมันเนื่องในสัปดาห์นี้ที่เป็นสัปดาห์แห่งความรักใช่ไหม<ช>เรื่องของความรักความเมตตาในทางคําสองพุทชธชิก็คือเมตตานั่นเองคือความปรารถนาดีครับสัตว์อื่นคนอื่นอย่างนี้ออการที่เรามีอารมณ์ที่เป็นเมตตานั้นสามารถเป็นการ เป็นเครื่องมือในการทําสมาธิได้ถูกต้องถูกต้องค่ะผู้ชาติตรสอย่างนี้ในเปรียบเทียบเรื่องตรงนี้ว่าสมมติเราเจริญเมตตาภาวนาแม้แค่ลัดนิ้วมือเดียว ก, ก็ยังดีนะดีขึ้นกว่าการที่เราปฏิบัติตามศีลนะคือปฏิบัติตามศีลนี่ดีมากละแต่ที่ดีไปกว่านั้นนะมีการตระเตรียมน้อยกว่าได้อันนี้สรงน้อยกว่ า, ามากกว่านะก็คือการเจริญเมตตาภาวนาค่ ะ, <น>ะทีนี้เจริญเมตตาภาวนาเนี่ยจะต้องเป็นรูปแบบอย่างที่ ท่านได้พูดเมื่อกี้เป็นพุทธพจน์ใช่ไหมคะใช่ใชเป็นพุทธพจน์ทั้งทั้งพวงนั้นเลยค่ะอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือเหมืนก็ต้องมีรูปแบบว่าต้องให้นึกถึงทิศซ้ายขวาอะไรเมื่อสักครู่นะะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพุทธพจน์เพราะฉะนั้นการบัญญัติธรรมะของพระเจ้าเนี่ยจะรอบครอบนะการบัญญัติธรรมะของพระเจ้าจะรอบครอบแต่ถ้าเวลาเราทำเนี่ยจิตของเราเวลามันมันแผ่ไปเนี่ยมันไปทุกทิศทุกทางอยู่ละทีนี้เวลาที่พระเจ้ากําหนดเปิดเพีย้หน้าที่จะอธิบายเนี่ยก็ต้องอธิบายให้มันครบถ้วนอย่างนี้ เพราะว่า ค, ความที่พระทธเจ้าเคารพธรรมะก็ะะถ้าตอบคาถามคุณยมติก็คือไม่จําเป็นก็ได้ในการที่เราจะต้องพูดเป๊ะๆอย่างนี้คิดในหัวเพราะว่าไออารมณ์ที่มันเมตตาออกไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําพูดโดยซ้ำแต่ก็เท่ากับให้เข้าใจตามที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสอย่างรอบคอบว่า<ช>ตรัสไปแล้วนี่คนต้องเข้าใจได้แน่คือ รอบตัวเราทั้งหมดนั่นเองค่ะออุปมาอุไมรตรงนี้น่าสนใจะนะที่บอกว่าเหมือนกับคนเป่าสังนะที่มีกําลังแข็งแรงเนี่ยเขาเป่าปูดไปเนี่ยอมันก็ได้ยินทุกทีศทุกทางนะถ้าถ้าท่านผูฟังอาจจะไม่เคยเห็นสังเวลาเขาเป่าไงลองนึกถึงทำเป็ดกันนะทำเป็ดทำเป็ดเนี่ยถ้าบอกว่าเราเราทำปากไม่ถูกรูปมันเนี่ยมันจะเป่ามาไม่มีเสียงน ะ, ะนะเพราะฉะนั้นต้องถูกท่าทางกอบมันด้วย เรื่องเรื่องตรงการทำเมตตานี่ก็เหมือนกันว่าจิตเราก็ต้องอตั้งจิตไว้อย่างนี้เนี่ยแล้วก็ส่งกระแสออกไปมันก็ไปทั่วทุกทิ่ทุกทางค่ะใช่ปานนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคทีนี้ดิฉันก็สังเกตว่าถ้าคนที่เข้าใจพระพุทธศาสนาจะชอบการแผ่เมตตามากเขารู้ว่าเป็นการกระทําที่ดีและได้ผลดีใช่การแผ่ตลอดเวลานะคะบางคนนี้ว่า เดี๋ยวเห็นมีอุบัติเหตุข้างๆกับแผ่เมตตาเห็นสุนัขขี่เรื่อนกับแผ่เมตตาเห็นคนกําลังทํางานหนักก็แผ่เมตตาอย่างนี้เป็นการแผ่เมตตาที่ถูกต้องไหมคะเห็นก๊อกน้ําก็ควรแผ่เมตตาเห็นต้นไม้ก็ควรแผ่เมตตาเห็นใบไม้ร่วงก็แผ่เมตตานี่ดีมากเพราะอะไรทําไมตรงนี้มีพุทธพจน์ที่มาสนับสนุนอยู่แล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นโพธิสัตว์คือยังไม่ตรัสรู้ช่าตนก่อนๆนู่นนะก็เราให้ฟังว่าตัวพระองค์เนี่ย จริญเมตตาภาวนาตลอด7จ็ดปนะีตลอด7ปีเนี่ยทำให้ไม่ได้มาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยโอ้ยนานมากเป็นคือทั้งโลกแตกโลกเกิดใหม่โลกแตกโลกเกิดใหม่เนี่ยตั้งหลายหลายรอบนะแล้วก็เกิดเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นมหาพรหมเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดเป็นเท้าส ก, กเทวราชจนนับหลายครั้งไม่ถวนนะอันนี้ส่งมันมากจริงๆรงิอันนี้คือคือส่วนที่อธิบายไว้ในมะีนนพุทธพจน์ส่วนที่1 แล้วก็ยังมีเรื่องของ11ข้อนะที่พูดถึงอา น, นิสงส์ของการเจริญเมตตาภาวนานนหนึ่งในนั้นที่ทสําคัญคือจะทําจิตให้ตั้งมั่นด้วยรวดเร็วนนหนึ่งในนั้นคือจะทําจิตให้ตั้งมั่นอย่างรวดเร็วซึ่งทำไมทำไมาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปเจริญเมตตาภาวนาตอนสุดท้าย<ะ>ใช่ไหมเราควรจะทำตลอดเวลาควรทําตั้งแต่แรกด้วยซ้ํานำะสมมุติเราจะนั่งสมาธิสักเครึ่งชั่วโมงคุณเจริญเมตตาก่อนตอนแรกสักนาทีสอ น, น, น, นาทีก็ได้ นะตั้งสีงแต่ว่อย่างนั้นแล้วก็ค่อยปฏิบัติพิจรารณากายหรือทำาไงวิด้วยรูปแบบไหนก็ค่อยว่าไปค่ะผลของการเจริญเมตตาที่ผู้เจริญจะได้มีกี่ประการคะท่านคะสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไวนะ้มีส1บเออย่างผูนะ้ถึงการเจริญเมตตาบารนานะที่เมื่ อ, อทําแล้วอย่างดีนะทแล้วอย่างทั่วถึงนะแล้วก็มีการทําแล้วมาก่อนนะทำให้เป็นเหมือนยานเครื่องนาไป ทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยได้ข้อที่1คือหลับเป็นสุขนี่ข้อที่1ข้อที่2องคือตื่นเป็นสุขข้อที่3ไม่ฝันร้ายสามข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องการหลับการตื่นการนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายข้อที่สี่ห้าหกจะเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์แล้วก็เทพปดาลัารักษานี่คือ456ห้เป็นที่รักของคนอื่นๆ แล้วก็ที่7จนะ็ดทำให้พวกอาวุธสัตราหรือไฟเนี่ยมันจะคล้วยคลาดปลอดภัยจากเรารนี่ข้อที่7ดข้อที่8ดอย่างที่ว่าคือจิตตั้งมันรเร็วติดตั้งมันได้รวดเรว็วข้อที่9จะมีสีหน้าผุดผ่องนะใครต้องการหน้าเด้งก็จะเลยเมตตาชโดยไม่ต้องไปหาหมอฉีดโต็อกส์ข้อที่สิบก็ไม่หลงไหลทำการละนะคือตอนที่จะตายเนี่ยก็ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือว่าโวยวายไม่หลงไหลแล้ว้อที่สิบเอ็ดะถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษอื่นๆเนี่ยก็จะต้องได้ไปเกิดในพรหมโลกนี่คือสิเ็ดข้อค่ะโอ้หมหาศาลนะคะสำหรับคนของการเจริญเมตตาทีนี้เอาแบบผล พ, พื้นพื้นดิฉันเคยได้ยินคนที่เขาหวังจากการที่มีคนทําให้เรารู้สึกว่าเขาตั้งตัว เป็นศัตรูกับเราอะไรเงี้ยนะคะเขาเกลียดฉันเขาไม่ชอบฉันอบางคนเลยบอกว่าถ้าแก้ไม่ได้ให้ลองใช้วิธีนี้สิเจริญเมตตาอืมถู ก, กต้องก็คือในนี้ระบุไปชัดเจนนะว่าอ่จะเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกมนุษย์ออบางทีบางคนมีปัญหากับเพื่อนร่วม ง, งานจะเป็นเจ้านายก็ตามลูกน้องก็ตามนะหลายคนเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ได้ผลแต่เจ้านายเขาจะด่า ก็คือเขาด่าเราอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนะพอเราจเจริญเมตตาไปเรื่อยๆสักวัน2วั น, อ, วนอาทิตย์หนึง่งเริ่มเห็นผลละคือแทนที่เขาจะด่าเราเขาก็อดทนได้ทำไมเพราะเห็นเราแล้วเขารู้สึกมีได้รับกระแสงความรักความเมตตา ม, มันก็ทำให้จิตมันไม่พุ่งทิมไม่ทําร้ายก็เลยงดด่าไปก็มีหลายคนมาเล่าให้ฟังว่าตรงนี้ก็เกิดขึ้นเวลาแผ่เมตตาให้กับบุคคลเป้าหมายอย่างนี้นี่ เราจะตั้งจิตยังไงถ้ามันถึงจะตรงเป้าวิถูกคนไม่ผิดคนนะค ะ, ะพระเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าให้บุคคลนั้นเป็นอารมณ์ของการเจริญความปรารถนาดีค่ะนะบุคคลนั้นเป็นอารมณ์หมายความว่าเราคิดถึงบุคคลเนี้ยแล้วก็ให้มีความปรารถนาดีเกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นคนที่คุณมีความรักความซาบซายเช่นแม่เห็นบุตรเห็นแล้วมันก็มีความรักความเมตตาเกิดขึ้นเลยเพราะอะไรตรงนั้นอาศัยบุตรเนี่ย อาศัยลูก จ, กจากคันตัวเองเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นอารมณ์ในการที่จ ะ, จะเจริญความปรารถนาดีใช่ไหมทีนี้เราเปลี่ยนจากลูกซะเอาเปลี่ยนจากลูกเป็นไอคนนั้นนะที่เราต้องการแผ่เมตตาให้เขาเอาคนนี้เป็นอารมณ์แล้วให้ใจเราเนี่ยมีความปรารถนาดีเกิดขึ้นอันนี้ต้องต้องต้องทํานะคือหมายความว่าบางคนอาจจะคิดว่าไอคนนี้มันมันชั่วมากเลยจะให้ฉันแผ่เมตตาหรือฉันไม่แผ่ขอเว้นไว้คนหนึ่งก็แสดงว่าเราไม่ได้มีจิต ปรารถนาดีกับเขาล่ะคุณก็จะแปลให้เขาไม่ได้ค่ะห้ามห้ามสาบแช่งว่าคนที่เกลียดเรานี่จงไปลงนรกซะยอย่างนี้ไม่ได้อันนั้นเป็นจิตพยาบาทซึ่งจะทำให้ตัวคนที่คิดเองเนี่ยได้ผลที่ชั่วด้วยเหมือนกันได้ผลที่ไม่ดีด้วยเหมือนกันค่ะแค่ในทางตรงกันข้ามจะต้องถึงขนาดที่ทำจิตให้คิดให้ได้ว่าขอให้ในายคนนี้ไปสวรรค์ไหมคะปรารถนาดีกับเขา อย่างคนที่เขาประสบทุกขเวทนาอย่างเงี้ย <Okay. S 1> จะให้เขาดีขึ้นแบบชนิดที่ว่าเป็นขอทานเป็นแล้วแล้วก็เป็นพิการอะไรต่างๆเงี้ยให้เขามีแขนงอกขางอออกมาเงี้ยก็คงจะจะไม่ได้แต่เราปรารถนาเนี่ยดีให้เขามีความสุขในฐานะที่เขาควรจะเป็นได้ปรารถนาดีนะเพราะฉะนั้นไอความปรารถนาดีเนี่ยแต่และคนแต่และท่านมันก็จะได้ผลที่ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นถ้าคนชั่วเราปรารถนาดีคนชั่ว ก็คือปรารถนาให้เขาเป็นคนดีแต่ก็มีคุณธรรมดีมีใจที่มีศีลมีคุณธรรม เ, เขาก็ใจสบายอันนี้ก็คือความปรารถนาดีได้อย่างนนะแล้วถ้าหากว่ามีความรู้สึกว่าแหมมันหนักหนาะสาหัสเวลาก็กระชั้นทิศจะต้องแก้ปัญหากับคนคนนี้แถมเมตตาเนี่ยจะเอาอยู่ไหมคะท่านคะแน่นอนพุชเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณโยมเติยวบอกว่าเปรียบเหมือนกับคุณเอาคบเพลิงยาแล้วเอาคบเพลิง เ, เงนี่ยนะแล้วก็ทําจากญยาเนี่ย แล้วก็จะเอาไปจุดให้แม่น้ํำคงคาเนี่ยมันเดือดพรานร้อนจัดคุณยุติว่าเขาจะดำได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางต่อให้คุณเอากองไฟใหญ่ขนาดไหนมันไม่มีทางเอาดูแค่แม่น้ําเจ้าพรยาเราเนี่จะให้มันเดือดพรานร้อนจัดไม่มีทางน้ํามันเยอะมากเนีเช่นเดียวกันถ้าจิตเราเนี่ยมีเมตตามาก่อนนะต้องบอกว่ามีมามีมาก่อนนะแล้วก็ทำไว้อย่างดีทําให้เป็นชนิดที่พึ่งได้เนี่ยเวลาใครเข้ามาพูดกระทบอะไรจะให้เราโกรธเกลียดอะไรต่างเนี่ย มันจุดไม่ติดค่ะคือเขาเอาไฟมาอยู่แต่ใจเรามีเหมือนเป็นแม่ น, น้ําแต่ไม่หมดแต่มันจุดไม่ติดนี่<ช>คืออุ ป, าปมาอปไม้ที่พระเจ้ า, ายกอธิบายขึ้นตรงนี้อจึงสรุปว่าทําไว้ล่วงหน้าก่อนแหละดีใช่ใช่ต้องเตรียมไว้ก่อนอ่า<ช>เพราะไม่งั้นแล้วจะเจอกรณีที่ว่าเอาเกลือไปละลายในทะเลในมหาสมุทรเมื่อกี้พานอุปมาเลยนะคะเอาไฟไฟใช่คบเพลิงย่านะคบเพลิงญ้าอ่า ค้ เ, เพลิงย่าเนี่ยเป็นไฟที่ไม่แรงด้วยแล้วก็แป๊บๆเดี๋ยวก็หมดเพราะว่ามันเป็นย่า <คะ S 1> อ อ, อ, อีกอุ ป, าปมาอุปไมยหนึ่ง<ค>ะนะเหมือนกับคนที่จะเอาจอบกับบุ้งกีน ะ, <ค>ะจะไปขุดแผ่นดินให้มันไม่เป็นแผ่นดินโอ้ ย, อยว่าจะเอาจอบบุ้งกีเอาแมคโคลมาลดแมกโครมาขุดมันก็ยังยากอยู่ดีเหมือนอะไรต่างๆที่เขาทําเนี่ยมันก็ยังเป็นแผ่นดินอยู่ดี เหมือนกันถ้าใครจะมาด่าว่าเราให้เราโกรธเกรีกขึ้นมาเนี่ยถ้าเราจำจิตเหมือนแผ่นดินทำจิตเหมือนน้ำเนีก็คือเปรียบเทียบกับ ว, ว่าจิตเรามีเมตตาคนก็จะมาทำอะไรต่างก็จะทำไม่ได้ค่ะทำเหมือนแผ่นดินทำเหมือนกับน้ำใช่ทำเหมือนกับอากาศอากาศอ่าใช่ทำจิตเหมือนอากาศตรงที่ว่าเขาจะเอารูปเอาสีอะไรต่างเนี่ยจะเป็นสีน้ามันจะเป็นสีอะคริลิก สีอะไรก็ตามมาวาดบนอากาศให้มันมีรูปเป็นภาพขึ้นมาเนี่ยทําไม่ได้เนี่ยนี่คือมาใหม่ที่สามนี่เรียกว่าครอบคลุมพอสมควรนะคะ ใ, ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเมตตาซึ่งวันนี้ท่านฟังครเป็นวันแรกที่จะเริ่มต้นให้ท่านได้มีโอกาสที่จะทําสมาธิการในตอนต้นของรายการแบบเป็นรูปแบบสม่ําเสมอเลยจะได้ค่อยๆสั่สมแต้มไปเรื่อยๆเกิดความคุ้นเคย เผื่อโอกาสจะได้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็สอดคล้องกับช่วงเทศกาวลวาเลนไทน์ท่านภัยบุญก็เลยให้เจริญเมตตาท่านคะไหนๆเราก็ขึ้นต้นด้วยเมตตาก่อนเวลาที่จะจบเนี่ยท่านมีพระสูตรอะไรที่จะฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องเมตตาหรือเรื่องอื่นใดไหมคะต้องการจะพูดถึงอ น, นิสงส์สามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบทเพลงชนะช่วงต้นเนี่ยสำคัญแต่ว่าไอ้ที่เจริญเมตตาได้อ น, นิสงสิปัญญาเนี่ยมันทํำยังไงใน <c oughs> ราอียดมีตรงนี้ผุ้รู้จตรัสไว้ นนในอังคุตระนิกา น, นหมวดที่11บเอพูดถึงเรื่องของการเจริญเมตตาไว้ว่าเมื่อเมตตาเจโตวิมุตต์อันบุคคลเสพมาแต่แรกทําให้เจริญแล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุดยานที่เทียมดีแล้วทําให้เป็นที่ตั้งวรพฤทธส่องสมเนืองเนืงปรารบสม่ําเสมอดีแล้วพึงหวังอ น, นิสงสิ1เอย่างเหล่านี้คือ 1. ห, หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของพวกมนุษย์ 5. เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ 6. เทพพยาดารักษา 7. ไฟก็ดียาพิษก็ดีสัต์ราก็ดีไม่ทำอันตรายบุคคล น, นั้นได้ 8. จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว 9. มีสีหน้าผุดผ่อง 10. ไม่ลหลงไหลทากาละคือตาย 11. เ, เมื่อยังไม่บรรลุคุณนิพิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรมโลกเมื่อเมตตาเจโตวิมุตต์อันบุคคลเสดมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองเนืองปรารบสม่าเสมอดีแล้วพึงหวังอ น, นิสงสิบออย่างเหล่านี้แหละ ท่านผู้ังที่เคารพค่ะนี่ก็จะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเมตตานั้นมีคุณอย่างไรพระพุธองตรัสไว้คำของพระาศาสดา ข, ของเราศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าท่านเห็นคุณประโยชน์ดังนั้นแล้วก็ขอให้หมันเจริญเนืองๆและถ้าอยากจะเจริญอย่างเป็นรูปแบบร่วมไปกับรายการเราตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยเราจะสามารถพูดได้ไหมคะว่าที่สนทนากับท่านมาในวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ตั้งใจให้เกี่ยวกับวันแห่งความรักใช่สัปดาห์นี้เราจะพูดกันในเรื่องแถวๆนี้ความรักความเมตตาอธิบายต่างๆในแง่มูมแบบนี้นั่นเองค่ ะ, ะในวันพรุ่งนี้ถ้าใครสนใจว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ห้ามพลาดตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยนะคะเจริญพรค่ะรู้สึกว่าเราได้เวลาที่จะลากันแล้วใช่ไหมคะเจริญพนค่ะก็ข อ, อนมมสการขอบพระคุณท่านไปบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะเจริญพรในมรดการค่ะ ท่ฟังที่รับค่ารายการสันสนีสนทนานะคะถ้าท่านจะสังเกตให้ดีรายการของเราวันนี้จะยาวขึ้นหน่อยหนึ่งในส่วนสนทนากับพระอาจารย์ไพบูลเพราะว่าต้องการที่จะให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นสําหรับท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งควรที่จะใช้เวลาทั้งหมดนี้ได้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่จึงใสในส่วนของการฝึกปฏิบัติในช่วงตอนต้นของรายการแล้วก็ท่านไพบูรณ์ก็เมตตาให้พวกเราได้ฟัง ประสูดเต็มๆกันไปด้วยดิฉันสันสนีนาคพงศ์นะคะดเนินรายการที่ชื่อว่าสรรสินีสนธนาอยู่ทาง FM106 นี้เราก็ขอให้ความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่ถูกคลองทำได้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปกติร่มเย็นแล้วก็จะเป็นความสุขของคนทั้งชาติรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทวสวัสดีค่ะ